ก็ต้องเลี่ยงมันไว้เรียกว่าสันทาคติรังเกียบมันรังเกียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติมันจะทําถูกทําถูกยัยนัยสักเพียงไหนก็ต า, ามรังเกียบมันไม่ให้คะแนนมันเนี่ยโทสากติแล้วยังเพราะเขาเรียกโมหะกติคืออะไรคือครบในเรื่องนั้นนั้นไม่แตกเพราะความโง่เรียกว่าโมหะกติ แล้วเอยงพัคกลัวเรียรพยาคติคืออะไรคือกัวมันมันมีอิทธิพลมันจะทําผิดจับเพียงไหนก็ตามก็ต้องเรียแท่งเรียขามันอยู่แล้วเอยงพความรับความกลัวเรียกพยาคติแล้วคติกี่ประการ น, นี้ไม่ควรประพฤติเนอเราพุธาทธศาสนาเราพุทธศาสนาเนี่ยตัวเองเท่านี้จะสอนดีเราพุธาทธศาสนาหน่อเลย พุทธศาสนาตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟเช่นโรคเอิดอย่างนี้พระพุทธศาสนาตัดต้นไฟต้นลมต้นเอิดแล้วต้นแล้วให้พิจารณาอสุภะเนอะ้อร่างกายสังขารมีแต่นังหุ่มอยู่ในรอบเต็มไปด้วยความสะอาดมีประการต่างๆตั้งอยู่ในกายนี้มีของขนุนในความนังเน้ อ, อนในกระดูกเยื่อ ใ, ในกระดูกว่าหัวใจตัาฟังฝืดใจปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนอ้อ เตมอยู่นี่คือธาตุดินสิ่งที่เป็นของแข็งถ้าน้าก็มีดีเศษน้องเลือดเหงือมันก็น้ำตาเปโอมันน้าลายน้ำมูกน้ำไข่พ่อน้ํามูดเน้อแยกชาติออกซะไฟที่อยางกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายสดปรกโสมไฟที่ยังกายโกลงกวายไฟที่เผาอาหารน้ย่อยอันนี้ชาติธาตุไฟเน้อลมพัดขึ้นว่างบนลมหายลมเร่อลมอ้วกลมไอลมจามลมพัดลมว้างต่าลมในท้องลมในชส้ยลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออก นี่ไม่เป็นธาโรมเริ่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลฉัน่วยแล้วว่านี่บรรเทาราคะมาให้คำเริ่มบรรเทาความกำนังในสกปรกและตายาให้คำเริ่มขึ้นและสอนให้พิจารณาลอกหนังออกกระมุบสมมุติลอกหนังออกมีสารางกระดูกเดินโกงเกลียวโกงเด้งไปแล้วราคะก็จะไม่จัดขึ้นมีน้ำซ้ำ ยังสอนตัดไฟต้นลมอีกหนึ่งตัดลมต้นไฟอีกตามีสมิทธิจาราวีนั่นเองที่ฆ่าประธานธรรม า, รอาะอย่างราอย่าร่วงละเมิดบุคคลที่ท่านห่วงเนอะภรรยาเขาก็ดีลูกหลานเขาก็ดีเลนเขาก็ดีหรือผู้ที่ห่วงเห็นอยาไปล่วงละเมิดในตาร ม, มารมณนะ์เน้อตัดไฟต้นลมเนี่ยมีพวกเรา เป็นเออดแล้วจึงมารักชาอีพ่ออีแม่เอเ๋ยมันก็ไม่ไหวรักษาปราเหตุนั่นมันมนั่นถูกไหมว่า น, น้าที่บาทพวกเธออยากไปทำลายชีวิตเขาเนอะบ๊วยรบกสาวเขารักชีวิตเขาสันใดพวกเธอก็รักชีวิตของพวกเธอฉันนั้นรักไปต้นลม โมสาใครๆก็ชอบพูดจริงอย่าไปพูดโกหกพกรมเนอมันเสียเวลาทั้งผู้พูดเสียเวลาทั้งผู้เอาไปปฏิบัติด้วยเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นไม่เสียเวลาทาั้งไม่เสียเวลาทั้งผู้พูดไม่เเวลาทั้งผู้ฟังเป็นคําจริงคําจริงเป็นคําอันไม่ตายวาจาจริงเป็นวาจาอันไม่ตายถ้าใครต้นลม สุรามีระยะแต่พวกเธอไม่กินมันก็เมาแล้วพวกเธออย่าไปกินตัดไปต้นลมมันกันบางทีก็ยังไปทันออกจากโรงสุราด้วยฆ่ากันตายคาที่นั่นถูกไหมนั่งัดไปต้นลมต้นลมต้นไป ผู้ใดเห็นคําสอนพระพุทธศาสนาเหนือคําสอนใดๆทั้งปวงในโลกผู้นั้นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วผู้ใดสําคัญตัวพระพุทธศาสนานคําสอนไม่เท่าคําสอนของตัวอ น, นั่นผู้นั้นยังไม่ถึงพระพุทธศาสนานพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองไม่ได้อยู่ในที่อื่นพระพุทธศาสนาใจ ใครเป็นผู้ทําขึ้นความมีความชั่วเ็พระผู้เป็นเจ้าจีบ พ, พระผู้เเจ้าใจของใครของมั น, นั่นเองเราทําดีจะตายจะให้คะแนนคนอื่นมันก็ไม่ถูกพระพุทธรราสนาอกเราเป็นผู้สอนพวกเธอเฉยๆจะให้เราทําแทนไม่ได้พวกเธอง่วงนอนก็นอนเองซักหิ้วอาหารก็ทานเองหิ้วน้ำก็ดื่มเอง เราสถาพะคดเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นจะทำแทนไม่ได้พระบรมาสารีรามแล้วมันอยู่เหนื้อธรรมเหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมมันพนยายามก็วโวยไปมันไปมันไปบอกว่ามันศาสตนาคิดวะ แล้วไปไทยวะดัตนคิดนี่กัพุดธบอกนี่มันบ่มีวันอยู่เลยไปรึเปล่าเนียอยู่เลยไปอยู่ในที่ประชุมนั้นจะรีไปลขณะที่ตัดสินหรือประชุมเขานั้นยังไม่เสร็จไม่ฉั้นทะก่อนลูกไปเสียต้องไปเจริญมันหนีว่าชะภาเวไลภาเวไลของ ข, อง ข, องของ้า่วนผู้แท่ทนใช่ไหม คันที่จะให้พัยสนะหลดจีปวดขีไปขีมันอไหร่ม่อรกับไอเอาเข้ามาแม่อไหร่จีปวดขี่ปวดเยี่ยวอ่ะฮะ น, นี้มันเห็นอันนี้สองสินหาบอหลกร้านเห็นบะ เสมอหนิทุกวันนี้มันยิ่งล่ากว่าสัตยิธิฐานเออน้อหลวงปู่ไม่ใช่สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้เ อ, อไม่ไม่ใช่พรุทธสกวายารเพูดอคำหยาบพูดให้ถึงจิตถึงใจลูกๆห ล, ลานๆสัตยิธิฐานมันทําไม่ดีไม่ร่าแก่กันแล้วมันก็เลิกกันไปมันไม่ได้ค่าเลยทุกวันนี้ ตามมาลงกันแล้วฆ่าทิ้งข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งมันก็ยิ่งร้ากว่าทัพย์เพาเห็นได้เพราะมันไม่มีศีลหา้าใช่ไหมนั้นเพราะมันไม่ยงังมีอย่างอายต่อบาปมันไม่มีไ ม, ไม่มีความกลัวต่อบาปใช่ไหมถ้ามีอย่างอายต่อมีความกลัวต่อบาปแล้วศีลห้า ก, ก็ไม่ล่วงแล้วเมื่อใช่ไหมทีนี้มันล่วงแล้วเมื่อศีลห้าแล้วศีลอื่นมันก็ล่วงแล้วเมื่อบน ผมขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งพวกจับยามก็มีอีกแต่เราจะไม่พูดเดี๋ยวมันผู้หญิงเขาละอายให้พูดไหมยกมือขึ้นพรกผู้หญิงให้พูดไหมถ้าใครให้พูดจะพูดยกสูงๆใครอยากให้พูดนะผู้หญิงผู้ผู้หญิงยกยกมือผู้ชายมันไม่ละอายหรอก นี่นางนี่ไม่ยกไม่ยอมพูดไหมให้พูดไห ม, มฮะถ้าจะพูดแล้วปู่จะรับตาชค่ก่อนนี้จะพูดนี่นหะโบราณพันวากินแล้วเริ่มนีสีแล้วเริ่มคุ้นขาพร้อมแม่นว่านั่นเขาหนึ่งจะอายตัวไะไรนั่งก้มหน้ า, นาปั๊บเปเ๋ยวพักว่าบอกเนี่ย ทำว่อีนั่งว่าพูดหยาบเด้่ยพูดแบบลูกลูกหลา น, น, นไม่ใช่พูดหยาบพูดแบบลูกลูกหลานเเข้าใจง่ายนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นโลกเ<ม>พราะห่างเหินจากศีลธรร ม, ม, มเหตุนั้นจึงว่าผู้ใดมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้จากพรองค์ละเมิดศีลห้าผู้นั้นถึงพระโสดาบันแล้วผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ได้จากพรองค์ละเมิดเลย ผู้นั้นถึงสัตว์ดาวันแล้วทําไมจึงไม่เสียดายอยากปลงละเมอเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชีบหายตรงๆทาไมจึงไม่เสียดายอยากลง ล, งลุยหลุนฐานเพลิงเพราะเห็นว่ามันจะไม่มุ่ยมอนมันจะตายเห็นโทษในสินห้าถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากปลงละเมอสินห้าสินห้าก็รักษาผู้นั้น ผู้นั้นไม่ต้องรักษาศีลห้าศีลห้ารักษาผู้นั้นแลยย้วละอายเป็นหนี้ห น, น้ากลมหนาพับไปแล้วแล้วเราคั่กโสดแม่นบ <c oughs> มดงูอโถถ้าเราลอ่อมห้อยสักวันพระฤทธิษษาวาจาเพื่อคำหยาบสัมะปะพระล ป, ะ, ปะพูดเพื่อเจอไม่ได้พูดเพือ เ, อ, พเพอเจอไม่ได้พูดคำหยาบพูดให้ถึงธรรม ถ้ามันพูดตรงไปมันก็ไม่ถึงธรรมทุกวันนี่ลูกๆหลานมันดือ้อถูกไหมยังมีอีกจะให้พูดไหมยังมีอีกที่มันล่วงละเมิดสินตัวนี้ยังมีอีกสินตัวการมีที่มันล่วงละเมิดยังมีอีกหลวงปู่จะรับตาเชก่อนทีวจะพูดให้พูดไหมฮะยกมือขึ้นใครจะให้พูด นั่นมีสองสามตัวเก่งแล้วเกินน่นพวกนี้มายกเลยมายอมยกบูชายัยากหิ่งมีมีจักรลอยขนผู้หญิงก็บจักหิ่มีผัวจักรลอยขนแมนบอก ม, มันเป็นยังไงฮะมันส่งเสริมการมาร่ำแมนบอกมันส่งเสริมกามาร่ำผลนัง่งมึงมันสั้นหัวดอกคนุ ม, นนมันบอกถใจว่าพ่อแม่บอกใอ่ไ่นี่มันแม่พ่อพระเจ้าว่าอะไรฮะเนี่ยสมัยนี้ทุกวันนี้มันล่วงละเมิดศีลหา้ามันจึงอดรำมาณอยู่ทุกยามยา่าซึกงสงครามมาจากไหนมาจากล่วงละเมิดศีลหา้าใช่ไหมค่าขายก็บอกไม่ขอบเขตพระสมานพระพุทธเจ้าค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายจัตเป็นอะไน่สัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อปีนาห์ ค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เช่ได้อยากเมืองละเมิดเลยไม่เช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกพันด้วยไม่ใช่ได้อยากจะถือาศาสตาอื่นด้วยไม่เสีดยด้อยากจะถือเวทมนตนคนาถาด้วยใครจะภาวนาตลอดร่วงตลอดค่าก็ตามจะเดินจงกรมภาวนาอ้าปากกินลมยืนค้าเดียวเหมือนชมพูกะก็ตาม จะอดอาหารขุ้มผมขุ้มขนหล่นก็าตามจะกินเจ ก, กินแกเหมือนโคเหมือนกระบือก็อาตามถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าถ้ายังเสียดายอยากจะล่วงละเมิดอาบายจะมกหรูมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันเออมันเป็นพระโสดันโสดเอาโสดสขาดคณีรู้จักไหมอั่งก็ถึกกิเลสมันนั่งโสดันโสดเอาโสดาดคณีใช่ไหม ดันเอาแต่ภาษาของตนแล้วก็ปีกของนี่เดาเอาแต่ภาษาของนอตอง น, นเอาแต่ทิฏฐิของตนด้นเอาแต่ทิฏฐิของตนไม่เข้าข้างธรรมอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะพิจารณาทางนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีคุณค่าอยู่ในโลกผู้ในหาอุบาเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทาง อ, อ้อม มันก็น้าลายบ้วนขึ้นฟ้าเนอ้อตบใส่หน้าตนเองถ้าฟ้าไม่รับไว้หรือมิฉะนั้นก็เหมือนกําฝุ่นโตลมพัดเข้าตาเจ้าของหรือมิฉะนั้นก็คว้างปลาขอนใส่ต้นเสาหรือหินดานคว่างไกลมันไม่ถึงคว่าใกล้นักวยเอกก็ลบไม่ทันใช่ไหมนั่น สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ควรคิดทั้งนั้นปริญญาในทางพุทธศาสนามีอยู่ญาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีคณะปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณามหานปริญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียคือพ้นจากกิเลสไปแล้วพระ อ, อรหันต์เป็นมหาปริญญาเนอรู้ด้วยการรู้คือรู้ละบาปบำเพ็ญบุญมหานปริญญารู้ด้วยการละเสีย เว้นแล้วกิเลสทั้งหลายโลกโกวดหลวงเว้นแล้วพินห้าข้าสารทพระพุทธิตรในกลางก็งเว้นแล้วตลอดทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเว้นแล้วเนี่ยว่าปัญหาและปะัญญากำหนดรูปโดยการราศีตีแล้วนะปัญญากำหนดรูปโดยการพิจนานพิกจนานในสิ่งที่จะเว้น ยาตะประเด็นยากำหนดรู้โดยการรู้ญาตะตัวนี้เป็นตัวย่อผู้หญิงตีรณะนะประเด็นยาณนะตัวนี้คงเป็นตัวโนอนเองมหาณปประเนะด็นยากำหนดรู้รายการลเสียปริญญ็นยาคงเป็นตัวยอผู้หญิงทั้งสองตัวลูกปู่เรียนหนังสือเพียงชาติผสมสองเท่านั้นรัชการที่หกถ้าเรียนชาติผสมสามจบแล้วก็ต้องไปเรียน มัธยมหนึ่งในที่มณฑลมณฑลอุดรสมัยนั้นมอนเป็นมณฑลมีพญาสีสุริยราชวราุวัฒสมุหะเทสาพิบาลรองอมาต์เอหลวงเพะนิสัยชอบศึกษาี่การมณฑลรองอมาต์โทรพระพิทักษ์พนมนครผู้ว่าราชการจังหวัดรองอมาตต์ตีคุนพิสารวรวิทย ศึกษาธิการจังหวัดรองหลวงสมอัรวินิจในอำเภอหมากแค้งราชบุตรราชบุรุษเฉยอินทุมาลศึกษาธิการจังหวัดเราจําได้อยู่เราจำผสมสองครับอินทุมาลทุตัวนวนี้สททงราชบุรุษเฉยอินทุมาลเราหญิงช า, ายชาติไทยใจองค์อาต้องรับชาติและบ้านเกิดประเสฤษดี รัตศัตรย์สยามมินถิ่นที่อยู่พระมองกุศลเจ้าทีของชาวไทยแม่ศัตรูคิดร้าทําลายญ า, ยยาต้องรับสู้อริราชจนตัดใจมัน่นจิตนมำมห็ดคิดทิ้งใจไม่ย อ, อมแพ้แก่ใครมูไปดีแม่จะตายไปได้ให้รีช่าชูอำนาจเกียรติที่เท่าเจ้ากรุงศรีสงวนธงชาติไทยไหวจงดีอย่าให้มีวันเคลื่อนเลื่อนลงมาให้รักไทยใจเดียวคงเกลียวอยู่ ยะเชิดชูเมืองชาติศาสนาจะลือนามสยามรักวัฒนาช่วดินฟ้าเย็นลงดำลงไทยเท่าจำได้เยอะมัดเลยเมื่อนี่มู้โตเป็นเยอะ่ะเฮ้ยรักเมียรักผัวมู้โตจะไปแฮ่กตกมงหกตายดิผู้ใต้ยนชูครับเนี่ย ผู ER ้ใต้เดือนสูกเขียตายไปตกมรรกตกมรรกเขาเอาจายย่อมพิบาลเอามีดมาเฉือนองขชาตมาเฉือนท้องอีกท้องตายโอ้ยโอ้ยโอยโยสอยอ้ยอ้ยโอ้ยอมยโ้ยวอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ คอยเห็นมูเก่าลวงเราเมิดกันคอยเป็นพิคิดยินดีนะว่าท่านกรรมอันนั้นน้องคอยแต่ไรเดี๋ยวมาเป็นน้าคุ้มเจ้าทุกยุ่งอยู่ว่าท่านคอยก็มนี้กรรมของคอยเจ้าก็มีกรรมของพวกเก่าก็สู้กันไปว่าท่านกรรมของใครทั้งมันนะว่าทานนี้ตายเลยเกิดตายเลยเกิดังเนี่ยเรียกว่าโอภพปาทิกะเกิดขุดขึ้นโอภพปาทิกะเกิดขุดขึ้นเปรียบเหมือน ไปในเมืองสวรรค์ก็เกิดพุดขึ้นเหมือนเรานอนฝันไม่ได้เกิดในคันในไทยในเท่านในาไทยจะเกิดพุทขึ้นเกิดพุดขึ้นกำเนิดกำเนิดกำเนิดกำเนิดเขาเรียกว่ายังไงกำเนิดเขาอ่านยังไงอ่านกำเนิดดูกำเนิดสองกระไรเนาอเขาเราอ่านว่าถือยักษ์ที่อ่านน้ำถือสุ่มในสองทางเนาะ อุนลมานเนี่เขียนอย่งไรอุนลมานนี่ตัวหอมน้ำหนาบวหอน้าหนาวนนามัว้ยะหอน้าหนาเนาะอุระมานนี่เฮานึกเห็นในท่านอิศวดอกท้องผดลืม่มนี่ก็บุ๋งหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่ก็บฝูงนั่นอยากจะหาหนายคุ้มความความการตัวจึ่งไปสร้างเทวดาเทวดาเห็น ก็ทิ้งทิงไม้ขอนใหญ่ลงไปสะท่านผู้เฝ้าวิชาเป็นกบเรล็กหนาเนาะบ่าเอาถึงว่าพูดพระท่าสมนะนะเนี่ยนึกถึงมกษัริย์มา่อกกินธนาน่นั่งเน่ยมันขี่อายไปนั่งอยู่บางหลังอกไปนั่งบางหลังไปหลวงพูเว่ามันรับตายหรือว่าจะอายอะไรท่นบ คนคนมารยาเอยสูงมนันอายเนาะลูกปู ว, ว์เบาหยาบเนาะลูกภูวพิบ่ายยังบอกทัวเลยทีว่วา่วาอลไรเื่พอพระพุทธเจ้าบานที่ที่ซื้อทางลายนะเราจะเถิพว่เธอเนาะเราจะไม่พูดดีๆก็พวดเธอล้วจะเถิดตะพ้นตะเพือพระองค์เราจะเถิพวกเธอพเธอพื่อเธอนอนใจในวัฏสงสาร พัชมาระพทธเจ้าเทศเป็นหลายวิธีวิธีปลอบโยนวิธีกู่วิธีย้อนถามวิธีอธิบายตรงไปตรงมาวิธีนิ่งวิธีไม่พูดวิธีกู่วิธีต่อรอดต่อเถียงวิธีปลอบโยนวิธีปลอบโยนคือเทศยังไงอนุ์เอ๋ย เธอเป็นผู้ได้ทำบุญกับเราสถาคตมานานแล้วเธอปฏิบัติเราสถาคตเธอไม่หวังลาบยศอันไดเลยเธอจงตั้งใจซะอย่าไปเสียใจสังขาแม่เที่ยงเราจะลาพอดเธอไปละเธอจงตั้งใจปฏิบัติให้ดีเนะ้อเดี๋ยวเธอจะสำเร็จพระหันอีกสามเดือนนี้เรียกว่ป อ, พอยน เทศขูเทศด้วยวิธีไหนเทศพระมาลุงพระมาลุงมาถามว่าประกาศพูนว่าคนตายแล้วเกิดไหมพระองค์ตายแล้วสูญไหมตายแล้วเกิดไหมชีอันนั้นก็ศีละนั่นชีวะคนอื่นศีระเป็นอื่นหรืออย่างนั้นอย่างนี้ถามถ้าพระองค์ไม่แสดงทาข้อนี้ข้าพเจ้าจะลาชีขาเออเธออยากาประพุทแดกดันเราเลยเธออยากจะลาชีขากรดเธอก็จงลาไปซัก แยกประเทศไปชดนี่เ <c oughs> ทศวิธีถามวิธีย้อนถามสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล้วเป็นทุกข์พระเจ้าค่าถึงนั่นเป็นทุกข์แล้วเราจะมายืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันจะควรไหมถ้าเป็นของเราแท้มันก็ต้องบังคับได้สิเมื่อมันบังคับให้ได้บัง ค, บบงคับไม่ให้แก่มันก็แก่บังคับไม่ไ ม, มไม่เก็บไม่เจ็บมันก็เก็บ ไม่ให้ตายมันก็ตายมันฝืนความปรารถนาอย่างนี้เธอจะมายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงจริงกง ๆ, ๆจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกมันจะถูกไหมไม่ได้เขาจะพ้าเรียกตามสมมติเฉยๆเออดีละดีละเธอจะรู้ตามเนจริงเล้วบ๊บบลงมาศาสตรามีทีว่วิธีย้อนถามวิธีต่อรอนต่อเถียงก็มี นางกินจิไปกล่าวตูเพระเรมศาสนาว่าไปทำอันไม่ดีไม่ได้ครับตัวแล้วก็เกิดมีท้องขึ้นทำไมนางกินจิจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาพวกศาสนาอื่นแล้วหนีลยยามายามายามาไปแดงขึ้นแล้วไแดงขึ้นแล้วเอายามา ยามายามาไป่ปแดงขึ้นแล้วไปแดงขึ้นแล้วเรื่หัวใจเร้อหัวใจมหัวใจตีบเอาไม่ทันก็ต้องตายในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าออทั้งหลายให้เป็นผู้ใจถึงในทางทำดี อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วทำดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทำชั่วบ่อยใจก็ต่ำลงบ่อยใจมีคุณเป็นมั่แต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทำผิดบ่อยๆก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทำดีบ่อยๆก็มีคุณเป็นอนันต์ นั่งนี่เพราะเครียดมาโทษ่ะขึ้นนาเค้งค่ะพูดพูดแบบลุกลูกอาาาั้นหลานมันพูดสะดวกดีถ้าบุพูดแบบผู้ภาพมันลำบากพูดแบบลุกลูกอั้นหลานพูดสะดวกดี ชิทังวัชิทังทุมังทิเมวะสตุเพภูเรนเจืังสะาจันโภวัฒนาโตจัตฐนิโตทิดาโตยจหาสาเพทิโยวชวัฒนโตสะพโรุโขวินัสนตตุมาเทภวทวันตายโยกยขีกีฆาโยโภหะอภิวาสนาสีจิตานิจังุทธามกาโยนุจตารุธรรมวัฒนติอายุวันโน ทุครังองคด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระนขนาน ม, มีประวัติและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยนั่นขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้นั่นขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทั่วทั้งไตรรูปายางประสบแต่ความสุขความเจนนริญได้บวบและพุทธศาสนาของพระสมเด็พระพุทธเจ้าทุกๆด้านในทางที่ชอบจนถึงที่สุดทุกโดยชอบ อยู thì ่ทุกเมื่อท